คุณชนินมากี่ครั้งแล้วฮะอืมเอาเบ้าปดพม่านแปดเทือล์เลยถ้าปีละครั้งก็แปดปีเลยนะเพราทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่มาแล้วทําเต็มที่มาแล้วทําเต็มที่โยมที่มาในทําเต็มที่เลยนะการสังเกตเห็นโยมแต่ละคนเนี่ยไม่เต็มที่แล้วเขบังคับเอาล้วก็ดีขึน้น แต่ถ้าพระอยู่ไม่เชี่อยู่ไม่ค่อยเต็มที่บางทีก็ทําแบบงงๆเงาๆอยู่ก็ติกรรับหลับเราตื่นๆไปมันก็เลยยากเลยเอ้ยบวชนานทำไมไม่เห็นทำสักทีพ่อเลยพราะมันไม่เต็มที่เหมือนกับคนที่มาไงมันปล่อยเวลาทิ้งไปเฉยๆถ้าทําเต็มที่เนี่ยทำไมมันจะไม่รู้ธรรมะเนี่ยทําไมมันจะไม่เด็ดขาดทาไมมันจะไม่ตั้งใจครับอันนี้เราไม่มีความเต็มที่คือมันต้องให้จําจี้จําชัยเหมือนพระใหม่ตลอเวลาแต่ถ้าก็เหมือนเหมือนคนมา บวชใหม่เนี่ยเหมือนคนมาสิบัติธรรมใหม่เราต้องํำที่จำช้ต้องควบคุมดูแลเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวจะกินนั่นๆัแหลเดี๋ยวจะทำมานี่ อ, อมาเน่ยเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นถ้ายังหลับๆับตื่นตื่ น, นงงๆเงาๆ อ, อ, อ, อ, อยู่มันยากนะเนี่ยที่จะเห็นสัจจะเนี่ยเพราะกามอารมณ์กามคือความใค่หยาบที่สุดก็คือเข้าไปในความหลับนี่แหละ อางเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมอันดับแรกจะเจอกามาฉันทะกรรมาฉันทะคือการเข้าไปในความหลับนี่แหละมันติดไงเราไข่เราอยากอยากมากที่สุดที่อยากที่สุดคือความหลับแต่ส่วนส่วนว่ากพระพิวัฒนท่านก็นั่งหลับเขาเลยไม่เห็นทำซาที่พวกเขาไม่รู้จักวัานี่คือกามคือความไข่ความอยาก้นถ้าเราบวชมาแต่โย่สักพักอ้าวมิเต จ, จะจมอยู่กับความวง่วงความเงอไปบันบนมันเลยยากนะยาก กิดมันซ่อนอยู่ในนั่นมันอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอามันอยู่นั่นนะนี่ยจัดการมาเลยเนี่ยเฉลียวใจคิดได้ก็จะเริ่มแก้ไขอันอื่นก็จะตามมาได้ดีในแก้ความห่วงได้เนี่ยพราะความใครที่หยาบหยาบในเราแก้เป็นแล้วเราลองดูดิวันวันึงไม่ให้มันหลับมันห่วงมันอะไรเลยเนี่ยถึงเวลานอนสามทุ่มคอยนอนตื่นคือตื่นตื่นมาเอามันนั่งทํามันสลืมสลือต้องเห็นมันก่อนเนี่ะ ถ้าแก่ไอ้ที่ละเอียดละเอียดได้เนี่ยอันหยาบหยาอื่นๆทําไมเราจะแก้ไม่ได้แต่ส่วนบางเราไม่มองมองไม่เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขแล้วมีแต่ว่าพักพ่อร่างกายต้องการอะไรประมาณนั้นเน่ะเอาให้มันคิดแล้วถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณได้อะไรขึ้นมาชีวิตคุณเนี่ยคุณเห็ุสัธจธรรมขึ้นมาไหมคุณแจ่มแจ้งขึ้นมาไหมคุณเกิดสติเกิดปัญญามากกว่านั้นไหมไม่มีนะแล้วถ้าคิดเอาเราคิดเราเราได้อะไร ได้อะไรไม่ยอมตอบนะไปกินลูกเดียวมันไม่รู้ไงคิดอา้าวคิดเอากระไรแต่วความคิดแล้วคิ ด, ลดแล้วได้เลยรเราคิดมาจนหัวจะผุแล้วชีวิตเนี่ยทําม่ได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบางคนหัวยผมก็อยากหยุดคิดหรอกแต่มันไม่หยุดไปไหนนะเอา้าฟังออกไหมที่สอนเนี่ยว่าทําให้ไปทําอะไรเนี่ย แล้วเพี้ยนไหมที่ให้ทําเนี่ยมันไม่เพียนมันไม่ทํามันไม่เพียนเพราะความเพียนไม่ถึงแล้วจะเอาปัญญามาจากไหนเนี่ยมันต้องมาเด็ดขาดกับอัตตาตัวตนกับความคิดความอะไรเพราะเรามีเวลาน้อยเราบอกทุกอย่างเดี๋ยเราปฏิบัติทำมีเวลาเจ็ดวันนะเนี่ยเจ็ดวันก็สู้สิบวันก็สู้เนี่ยพูดในคําพูดที่พูดเหมือนกันนะเนี่ยคนทุกคนฟังเหมือนกัน แต่เวลาปฏิบัติธรรมเห็นไม่เวลาเราประเมินนะ่ะต่างกันเลยต่างกันนะ่ะคนเข้าใจธรรมะไม่เหมือนกันคนมาที่นี่เหมือนต้นไม้ในป่าฝนตกจากฟ้าอันเดียวกันแต่โตไม่เหมือนกันเหมือนกันมาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าหากว่าเราโตช้านะต้นอื่นมันขึ้นขึ้นคุมคุมเ ข, ขืออเขือข่อนี่เราตายพอดีนะตายคือมันอยู่ต่าๆเนี่ย มันตายอันอื่นมันจะคลุมมันครอบมันงํำบัเรีวันมันหงั่มแต่ถ้าโตพร้อมเขาขึ้นไปเขาทำความเพียรกดเพียนเพียนเพียรมันโตพร้อมกันมันได้แต่ถ้าคนนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้เราก็เบื่อเลยโอ้มันคงไม่มีรล้วคนเราคงไม่มีบุญละเลิกดีกว่าไปมันมันก็จะเลิกซะมาอะไรใส่บาตรใช่ไหมเอายืนขึ้นใส่ได้สาธุก่อน ใส่พูดจนว่าไม่อยากใส่เนาะกลัว ว, ว่าเนี่ยผ่าเท่านี้อยากได้สองเออถ้างั้นไม่แล้วกันนะสองแล้วยังเออเหนไ่ได้จิตของเรามันหลหลากนะบางคนเ น, นิบๆ ช, าชา้าๆก็ไม่ตื่นหลายวันก็ไม่ตื่นจนกระทม่ว่า ถ้าครูบาอาจารย์พูดมันไม่ตื่นหรอกเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราอยากตื่นเนี่ยละมันจะตื่นกูเอากำมันจรินกันนะเมื่อเนี่ยมึงคือเอากูลับผู้มือแท้มึงเป็นในใจนี่ไงเมื่อนั่นละกิเลสมันสิว่ายอมแล้วนะะเหมือนกับกินผลไม้เนี่ยนะคอยย่อมแล้วคอยล่าแล้วมันจะไปจะดีอ่ะเพราะมันไม่ไม่จริงจังนะบันทีก็ปฏิบัติไปเพื่อสิมีบุญเพื่อนะมิมีบุญใส ยางพอค่อยๆในกิเลสสิออกเตนะพวกพูดอะไรนะปฏิบัติทำแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนี่ยางจะกลมกค่อยๆโอ้ยความห่วงมันก็บกหูด อ, อกกันอะไรยางจนหมาหมดลูกลุตผิดแม่ไม่ใช่นะเนี่ยคืบแม่มันไปหลดสิวิญญาณนึ่างนั่นวันที่คือโอ้ยมันสิมีสมาธิเพะเหตุแห่งปัญญ์เอาสมาธิก็คือง่วงลุตนี่ละ่ะคว้มคิดลุตนี่แ่ละสมาธิเพรมันนิ่งมันก็ระเแบบ อันนิ่งนะคนแนวอันนี้มันให้กิเลสลุด่ดเสร็จเคนละแนวเขามาจะว่ากิเลสขึ้นอย่างสางจะว่าก็ค่อยๆบางทอตีงอยู่ก็สิว่า ม, มีสมาธิปนะอันตีงในอะไรแห่งสมาธิเย้าอยากมีสมาธิในการตีงอะไรไนี่ใช่ไมหมจิตมันตื่นตัวให้มันรู้ตัวรู้ตัวไอ้ความรู้ตัวพุทธศาสนาให้รู้ตัวนะรู้ตัว ทำบ่อยๆทำเรื่องทำเล่นๆ เ, เนี่ยสร้างจาังหวะถ้าไม่สร้างจาังหวะมีสติไหมคุณก็มีสติแบบแบบนั้นแหละนะแบบมันไม่เยอะพอสติความรู้สึกตัวอันนี้เข้าสู่ระบบอั น, นี้เข้าสู่ระบบของการฝึกเข้าสู่ระบบกรรมฐานเนี่ยอย่างนี้เข้าสู่ระบบทีนี้ถ้าสติไม่สู่ระบบเนี่ยสติกรสอนาเนี่ยมันไม่ดีนะ ต้องเป็นสติที่อยู่ในระบบระบบคือเอามาสู่หลักการพัฒนาตามหลักสติปัฏฐานสี่แล้วลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยให้มันเลยลึกรู้จนกระทั่งควาเป็นสติเป็นสมาธิเป็นญาณปัญญาเป็นการรู้แจ้งกันไปนวนไม่ใช่ว่าสติจะรู้เฉยๆนั่งอยู่ก็รู้เฉยๆอะไรอยู่ก็รู้มันมันรู้อยู่แต่มันรู้แค่นั้นแหล ะ, ะมันไม่ถ่ายถอนกิเลสตัณหาไม่ได้แต่บางคนก็จะวัดเอาคนนั้นมากขาไมเห็นถ่ายถอนได้กิเลสตัณหา มันอยู่ที่ทําจริงไม่จริงแหละเราจะไปวัดคนอื่นเขาวัดตัวเราเองนั่นแหละตัวเราเองมาปฏิบัติทําเนี่ยจะได้ครึ่งเขาไหมจะแก้ง่วงเป็นหรือเปล่านีย่ยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่กิเลสจะหมดเอถอะนี่นะถ้าท้าใครทําได้เหมือนคนปลูกต้นไม้เอาต้นไม้มานี่เราแจกให้ตัวละกา้าคนละต้นคนละต้นละต้นไปปลูกซิใครจะได้กินเนี่ยเชื่อเถอะไม่ได้กินหมดทุกคนหรอกได้กินเป็นบางคน พราะเขาดูแลเขารักษาเป็นนั่นมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนมาปลูกพืชนี่นแหละเขาเรียกทําทการเกษตรแบบพุท ธ, ธะเขาเรียกว่าพีชะพีชะเกษตรนี่ยคือทําความรู้สึกตัวปลูกฝังไอ้ตัวรู้เนี่ยเอาตัวรู้มาเพาะเพาะแต่เลี้ยงด้วยสติสมาธิไปยิ่งมันไม่จะออกกิ่งออกกา้านออกความอดทนออกความขยันออกการรู้แจ้งออกบากออกผลเนี่ยมันจะออกไปเนี่ยแต่มันเกิดจากความรู้สึกตัวอันนี้นี่นี่น แต่ความรู้สึกตัวห้าปีก็รู้สึกตัวเฉยๆหกสิบปีก็รู้สึกตัวมันได้แค่รู้สึกตัวมันไม่ใช่เป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แจ้งรู้ต่างเก่าร่วงภาวะเดิมเนี่ยมันไม่โตให้สตีต้นเลยเนี่ยมันไม่เป็นรู้แจ้งเป็นวิปัสนาญาณมันไม่โตมันก็เลยได้แต่รู้สึกตัวรู้ลมหายใจก็ได้แต่รู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวนี่ก็รู้แต่ลมหายเคลื่อนไหวท้องฟองยุก็รู้แต่พองยุบมันไม่รู้ที่เป็นมหาสติเนี่ยมันไม่เป็นให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันเป็นมหามหาแปลว่าใหญ่แปลว่าเยอะ อย่าว่ามากจากสติธรรมดาไม่กลายพันธุ์เป็นสัมปชัญญะให้เสทติได้แต่รู้ตัวนิดๆหน่อยๆมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันเอาไปดับความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์เรายิ่งมากขึ้นความคิดยิ่งมากขึ้นความพรุงแต่งอันตาตัวตัวยิ่งมากขึ้นแต่ว่าสติก็เท่าเดิมตั้งแต่เกิดมานะั้นแ่ะไม่เคยพัฒนาขึ้นสตีไม่จะเอาอะไรมาดับทุกข์มันก็ดับไม่ได้แล้วเป็นธรรมดานะ ยมมาจากบ้านขอร้องนะอย่าพูดคุยกันอย่าเงียบตอนกินข้าวเนี่ยมันจะวุ่นวายเนี่ยะเสียงนันเสียงเนี่ยกินเงียบฉันเงียบอยู่เงียบอ ย, าอาย่าไอ้เพิ่นเินมาจากกรุงเทพอเอาเงียบๆอย่าคุยกันอย่าปากลวงตาเราสิดาเฮ้เราแหงดาบนเลือกหนาอยูบ่บนเลือกซุ่มซ่อนอยู่ตั้งหา เห็ดเงียบๆตัวเนาะคุณเจ้าว่ายเงียบไป้วยนะรักษาใจว้แลบางคนบอกไอ้เปิดว่าเร่าดากูสิบไม่หรอกเลาบังเงยนน่ะท่านตั้งสติดีๆซอยกันดีแยวผู้ใดคุยก็ยิกมะแนอยู่ใกล้ๆก็ได้มึงอย่าปากเล้าสิว่ากูเอาหลายๆโยมเอาเยอะๆตักอาหารนั่นมันนี้มัน เลิกปฏิบัติทำแล้วมันไม่ง่วงหรอกไมยกินแล้วหลับบนรถหน่อยได้บนซาได้กินแบบส่งท้ายแก้ก็แสดงว่าที่ผ่านมาน่ะมันอดทนได้เพราะท่านว่าไม่ใช่ฝึกได้ไงถ้าฝึกได้มันก็เป็นมาตรฐานไปแหละไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไนะก็จบคงเป็นนะ เอาวายพร้อมกัน